ولا قد فاتنا سليمان وألقين على كرسي, كرسي جسدان سُمَّان ว ي บَิมุนกะลายมบลิ ل ะบลิมุนกะลายมบอยแลมบลิอ ل ยมบลิลา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 وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم اني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر اللهم ف ا ط ر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 ว่ ع ع د د ي ใครร่ำบากรับอย่างอุทิศกันใน ا ل ก ب ر ลีว่าสู้อิลกิบาล ي ا ั ن อย่างอุ ف ิศกั ب ในอาดับม์ในนารีและอาดับม์ในอัลกับรีอัลลอฮ سبحان อัลล و ฮฺที่ผ่ำลือให้อดัตดัชอัลตีห ه วาริดาอัลฟิ ว a ามิดา i า s คํ s ลิมมัติ y y um, ah u, li li ahu, a ิริยา حي ุยา قيوم برحمنكأستقريسو أ a ل ح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل r a h m a t u l l a h ورحمة الله وبركاته الحمد l ل ه พี่น้องที่ร่วมนมาศบูติมัสยิดอันบริสุทธิ์ที่รักทั้งหลายครับแด่พี่น้องที่ติดตามรายการ อาตับเซลโุ ร, ราณที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็บางท่านก็นั่งอยู่ที่ตลาดกันละมาค้าขายกันอยู่นะครับอัลฮัมดุ ล, ลิลละก่อนอื่นที่ต้องต้องขอบคุณอัลลอฮสรรเสริญต่ออัลลอฮยกย่องชมชวยอัลลอฮฺเยอะๆถ้าเป็นหน้าที่ของพวกมุสลิมทั่วโลกนะครับที่จะต้อง สะดูดีสารเสริยย่อม ย, ย่องชมเชยอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาทุกขณะยิ่งเป็นในช่ ว, วงขรอัลลอเนี่ยทุกนาทีมีความหมาย ห, หมดเลยอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เพราะการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบอายะ Al ์อัลกุรอานอายะห์ไหน อาลาบิซิคริลลาฮิตัตมาอินุอุลูโดยการรำลึกถึ ง, งถอัลลอ์จงรู้ไว้เถิดว่าคำว่าอาลาเนี่ยจงรู้ไว้เถิดว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอ์เท่านั้นแหละที่จะทำให้หัวใจของท่านมีความสงบพอมีความสงบความเครียดก็ค่อยหายไปความความกังวลก็หายไป ความสับสนวุ่นวายเมื่อเมื่อค่อยหายไปโดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์และเป็นความจริงด้วยเพราะว่าบรรดา น, นาบีที่มาทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครไม่เอาอัลลอน์เขาสารเสริญยกยอ่องเตาบวชตัวอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาขอบคุณอัลล์วันนี้เรามาอยู่ในช่วงรอมฎอนวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ยี่สิบช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนโมกรมคมแล้วก็นบีก็สั่งนะนบีสั่งนะพูดไว้ก่อนท่านจะเสียชีวิตบอกว่าตะฮารูตะฮารา์เราจงสแสวงหาสแสวงหาคืนไลต์ตะตุลกอดูคืนแห่งอนุภาพคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืนเดียวในะมีรางวัลมีผลบุญมากกว่า เท่าไรพันเดือนอะไรอ่ะเราจะดก็จะดูคอยรุมมิทอัลฟิชารดีกว่าพันเดือนพันเดือนก็ประมาณแปดสิบแปดสิบสี่ปีนี่ถ้าเราพบถ้าเราพบครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเราทำความดีเท่ากับแปดสิบสี่ปีแล้วเรามนอายุพัน การถือสินอดมานี่บางคนก็30ปี40ปีถ้าพบทุกคืนทุกทุกปีเนี่ยอัลลอฮฺอลัอลลอบุญขนาดไหนนี่อลัลลอฮ์มอบให้เฉพาะอุมม่านบีมุฮัมมัดเท่านั้นนะสายใหุที่ทำไมทำไมมอบให้ตั้งคืนเดียว84ปีเพราะว่าอายุอายุไขของพวกเรานี่ยสั้น60ปีถึง70ปีนี่เยอะแล้ว อาจจะมีบางคนถึงแปดสี่ร้อยหนึ่งก็มีไม่มีแต่น้อยส่วนใหญ่ก็เจ็สิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็อินอาลีลาหกันหมดแต่ท่านถ้าเราพบก็คือลายุทุลกอดรีคืนเดียวนี่นะน้ำมาเพียงสองละกอาดเนี่ยเท่ากับน้ำมาเท่าไรแปดสิบสี่ปีเราขออนุญาต่ออัลลอฮมะฟิร์ ล, ลีวลิวลิด้ยะวารฮา ม, มุมะกามาระบายาน ส, สุร ถ้าอกเราขอทวอาเท่าไร84ปีเขานั่งอ่านกุ้งอ่านเนี่ยคืนลายนบุรกอตเลยเท่ากัอ่าน84ปีมันเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะสู้คนรุ่นยุ่นก่อนได้เนี่ยก็ด้วยนี้แหละลายนบุรกอเดอียค่อยรวมมินอัลฟิชันเราต้องขอบคุณอล l l a h นะที่เราเนี่ยช่วงโควิดเี่ยเขาก็หยุดกันหมดนะแต่เราไม่หยุด เรานั่งห่างกันอยู่แล้วเนี่ยไม่นั่งไกลกันเรก็อ่านคุรานหาความรู้จากอัลกุรานเป็นการทำทำให้วัฒใจของเราเนี่ยมีความสงบมากขึ้นแล้วก็รู้เรื่องไหมรู้เรื่องของนบีที่มาคนกนด้วยว่าเขาปฏิบัติศาสนากันอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรอัลลอฮ์พอใจบรรดานาบีที่มาในโลกอย่างไรนบีที่มาในโลกเนี่ย ที่มีชื่อในอัลกุรอานเท่าไรนะ่บ25ท่านแล้วที่ไม่มีชื่อยังเท่าไรแสนสองหม่สี่พบท่า น, นะนคนดีหมดเลยนะแต่นคนที่อัลล์พอใจทั้งหมดเอาวันนี้เรามาถึงสุซอดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอัลล์ก็เล่าให้เราฟังผ่านท่า น, นามูฮัมหมัด ให้ยิบรีมาให้ให้ความรู้กับท่านนบีให้นบีมาสอนของเราก็คือว่ายักษสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วก็คือกิตาบุนอันซาลนาูอิไลกบมบารอุนลยัดดับบูอายาติฮิวัยะตักการุลุลอัลบาความหมายดีมากรับคัภีอัลกุรอาน เราได้ประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดคำวิจารณ์เต็มไปด้วยมูบารอกความจำเลยอ่านคราุรอ่านอายะเดียวเนี่ยสามารถได้รับความรู้จากคาณุณอ่านอายะเดียวนะอัลลอห์ืูวักเดียวก็มีความรู้เต็มไปหมดมีบราระกาัดเพราะว่าความรู้ที่ผ่านอัลลอ์เนี่ยความรู้ที่ผ่านนาบีผ่านยิบรีเป็นความรู้ที่สะอาด ไม่มีความคิดของมนุษย์เชือปนอยู่ในคำสั่งนั้นก็ต่อมาครับลียัดดั บ, บารูอายาตีเพื่อให้พวกเขามาถึงพวกเรานี่แหละพิจรารณาเห็นไมอ่านกูน่านต้องใช้ต้องใช้ปัญญามนุษย์เนี่ยมีปัญญามีสมองมีปัญญาแต่สัตว์มีสมองแต่ปัญญาไม่มี เราเนี่ยต่างกษัตริย์อยู่ตรงปัญญาอย่างเดียวถ้ามีปัญญาแล้วไม่ใช้ปัญญาเหมือนใครเราเตีกับไปเหมือนใครนะมันก็เหมือนไม่อยากใช้น่ะเหมือนสัตว์นั้นะแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราก็ให้ใช้ปัญญาไต่ตรองต่อมาครับวลียาตะกักรูพวกเขาจะได้คิดไต่ตรองอัลลอฮฺอัลลอฮ แล้วคนที่คิดคนชายปัญญาอ่านกุงอ่านแล้วใช้ปัญญาเนี่ยอัลลอ์ชวว่าไงนะอูลุลอัลบเป็นคนที่ฉลาดเห็นยังฉาเลวฉลาดถ้ า, าเาองโง่นะมโหนะที่อัลลอ์รรู้ว่านสายมนุษย์เนี่ยชอบชมออูลุลอัลบเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมโอ้โหนะฉะนั้น จะให้ปัญญาเฉียบแหลมได้คิดอายะนะีในการฟิล์กอ่าน น, ะนั่นแหละจะนักอัลมาต์ประสมนึกทราบว่าคิดถึงประวัติของบรรดาอบีแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยคิดถึงประวัติคนเหล่านั้นเนี่ยทําให้เราฉลาดได้แค่อ่านเรื่องฟารโรห์อย่างเดียวก็วอิมานเพิ่มแล้วนะอ่านเรื่องกอรูเนี่ยรวยก็รวยที่สุดแต่ทําไมเอาล่อให้แผ่นดินสูบ ไมมาเเพิ म म ่มนะมาต่อมาวันนี้อายที่สมสบครับวะฮบนาลิดาวดัสุไลมานนีอัมลอับดุลนอ้วบวะฮบนาลิดาวดสุไลมน น ع م น عم ลจอ Al ินออัลกุฮฺอันอุคฺเอบิโ่รู้ความหมายนีน้เ Al อาล่ะวอามาดูสับว่าคําดียวกัไปวันแล้ววฮาบ้าววฮาบานาเราได้ประทานให้นี่กำลังพูดเรื่องนบี ด, ดาวูดน ะ, นะอัลลอฮฺได้ประทานให้กับอะไรนบี ด, ดาวูด ประทานอะไรครับสุไลมานสุไลมานนี่เป็นลูกนะแต่เราไม่ได้เล่าว่าลูกเดี๋ยวให้เราใช้ปัญญาบ้างนะอ่าและเราได้ประทานให้กับดาวูดคือนบีดาวูดประทานอะไรครับสุไลมานมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุไลมา น, นี่บวกกับนบี อัยจีบรนเอาคุอนอาญาเนี่ลงมาให้กับนบีที่มักกะที่ที่มักก ะ, อะบอกว่าในนั้นเล่าเรื่องชีวิตของนบีดาวูดก่อนหน้าท่านนาบีคนนี้เนี่ยชื่อดาวูดอัลลอฮ์ก็ประทานลูกให้เขาคนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะสุลัยมานคนี่ให้ลูกอย่างเดียวหรือไม่ใช่ต้องอธิบายต่ออีกนิดนะอัลลอฮ์ให้บ้านให้ที่อยู่อศาศัยนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมด ในปัจจุบันนี้เอาล้อให้รถใช่หรไม่ใช่มีจักรยานมีรถตำแหนง่งประจำนะั้งรถป่ายวนไปเนี่ยอะไรก็ตามแต่ยี่ห้อไหนก็ตามเอาล้อให้เอาล้อให้ที่ดินคุณนะมีอยู่ไร่สอไร่อย่าตะกะ บ, บุญนะ <c oughs> ฉันให้นะให้ผ่านพ่อก็ได้แล้วคุณวนนี้รับมาราดกพ่อเนี่ยไม่นจะเหนื่อยสักนิดนึงอนะ่ะเขาเหนื่อยกันมาตั้งนานแล้วเราเหนื่อยอะไรอ่ะ ยงจะปรับตัวเองให้ดีมันนึกได้หมดอธิบายได้หมดเลยจะรู้ว่ารถที่อยู่ร่างกายอันแข็งแรงที่เดินมามาสยิดได้เนี่ยอลเล่าให้ตัอตนึกนะไม่ใช่โอ้โหฉันกินยานั่นกินยานี่เรลบเราเรากินไข่ทุกวันวันละสองลูกก็ไข่ก็อลเลอทั้งหมดนั่นแหละเอาต่อมาครับ วะวะฮะบานาลดาอูดัสุไลมานและเราได้ประทานแกดาวูดนะครับลูกคนหนึ่งชื่อว่าสุไลมานอัลฮัมดุลิลละอายานี้มันก็เตือนนะได้ลูกได้หลานมาเนี่ยตั้งชื่อพยายามตั้งชื่อให้เหมือนนบี ถ้ารที่ผมรับทรศัพท์จากพี่น้องเนี่ยไม่มีใครให้ตั้มชื่อเหมือนนบีสักคนหนึ่งยุคปัจจุบันนี้นะคุณสังเกต น, นะมันจะกระเดียดไปทางฝรั่งนิดๆอ๋อรอเพิ่งวันนึกนี่ร อ, อไม่มีใครนะที่จะมากระเดียดมาทางเอานาบีมุฮัมมัดชื่ออิชาเนี่ยไม่มนะีไม่มีครับมิจะตั้งชื่อเช่อะไรบ้าง นึกไม่ออกโซฟียซาฟียอะไรเนี่ยอัลลอฮ์บางบ้าตั้งชื่อปรเดี๋ยวบางทางฝรั่งฝรั่งสาว่ามันโก้แต่ยังไงได้ก็เดี๋ยวบาทางนบีที่จะได้อัลลอฮ์ประกาศในวันเกียร์มาเรียกชื่ออัลลอฮ์บางบ้านสางาวะแต่ชื่อไอเบิร์ตอย่างนี้อัลลอฮ์บางบ้าในวันเกียร์มาประกาศมิสเตอร์เบิร์ตอะไรว่าเบิร์ตอย่างนี้เป็นต้นไหนว่าชื่อมุสลิมดีที่สุดชื่อบรรดาอบลดีที่สุดนะครับ อัลลอฮ์ชมนบีดาวูดแล้วก็นบีสุไลมานด้วยชมยังไงเนี่ยมัลลอับดุเป็นเบาอับดุลแาวาเบานียมะประเสริฐคู่ประเสริฐเป็นเบาคู่ประเสริฐเห็นไหมคนที่อัลลอฮ์ชมเนี่ยอัลลอฮ์ต้องมองแล้วว่าคนนี้เป็นคนดีนะอัลลอฮ์ชมเนี่ยเราเป็นคนดีนะฟาโรชมเบาอัลลอฮ์ไม่ได้ชมฟาโรนะ เรากฟาโร่เนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยฉันได้เก็บศพเอาไว้เพื่อจะให้เป็นแบบอย่าเอาตัวอ ย, าอยา่างฟาโร่มาเป็นแบบในการดาเนินชีวิตบนโลกใบนี้อินเนอมาลาบดเบาผู้ประเสริฐต่อมาครับอินอแท้จริงเขาสุไลามานเนี่ยอ่าแท้จริงสุไลามานเขามาถึงสุไลามานนะครับ อาว่าอาว่าแปว่ากลับตัวกลับหันสู่สอัลลอฮ์เสมอกลับตัวสู่อันนาาลลอฮ์หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์หันหลังให้กับโลกดุนยาเข้าหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์หันหน้าเข้าหาโลกอาอิรอห์อัลลอฮ์ชอ เลยให้ตําแหน่งเป็นอะไรเป็นนบีของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะลาถ้าคนที่เป็นนบีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีมารยาทงามทีนี้เรามาได้เป็นนบีแต่เราอยู่ในยุคของนบีมูฮัมหมัดเอาอายะนี้มาใช้กับตัวเองได้ไหมได้ใครที่ไม่ได้บวชยี่สิบวันที่ผ่านมาได้บวชนี้เปล่าผมไม่มีนะนะเอาถ้ามีทําไงครับเลิกซะ อยู่ได้ไงอ่ะยี่สิบวันที่ผ่านมาบวชบัง่งไม่บวชบ้างละมาดบ้างไม่ละมาดบ้า ง, า ต, างต้องนึกตัวเองอ่ะเาลาบอกทำไมเป็นอย่างงี้ล่ะกลับตัวซะอสัสซาฟุลลอห์พูดก่อนฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะอานาบาัดฉันจะไม่กลับไปทําแบบเดิมอีกหันเลยหันเข้าหาโซเราของอลัลลอฮ์มาบ้าน อ, าอัลลอฮ์ จับกัรอ่านเริ่มได้แล้วยังมีอีกสิบวันเองจะหมดบวชใช่ไหมนี่กลับเนื้อกับตัวเลยเราเคยด่าเมียอยู่เลิกเคยะทะเลาะ ก, กับลูกเลิกคุยวาจาดีๆทำนู่นนี่เรียกลุงดีๆเพราะเพราะอยากพี่น้องริมบ้านไม่ทะเลาะ ก, กับใครเลยถูกด่ามไม่มีปัญหาแต่ให้อภัยกับทุกคนทำนู่นี่เรืนี่คว่าเนี่ยมาอับดูเนี่ย ในตับซีนอธิบายบอกว่ากาซีกาซ ร, ร, รูยวอิลลอห์เขาเนี่ยกลับตัวไปหาอลัลลอ์ข้อที่สองกาซีรุดต่อเชื่อฟังปฏิบัติตามอลัลลอ์อย่างมากวัลอิบาดะแล้วก็นามาตไม่ขาดวัลอินาบะแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวไปหาอลัลลอฮ์ทำอะไราผิดเนี่ยแก้ไขปรับปรุงตัวเองสมอตลอดเวลาเนี่ยวักเดียวนะเอาว่าเห็นไหม <laughs> วักเดีวนีมคุมชีวิตนแล้วใช่ไหฉะนั้นกลับเน้อกับตัวสฟังศาสนาเยอะๆนะครับมาต่อมาครับอออริดะลายบิลรชีอัลซฟนาตุนจียั อิฎ عون ริษฏ <at> ์ عليه بالرشي الصفنا الجيد الحمد لله الله أكبر ริษฏ์แปลว่าถูกนาเสนออริษฏ์ก็แปลว่าถูกนามาเสนอนบีสุลัยมานี่เป็นนบีด้วยแล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยนะ ตำแหน่งใหญ่หน้าทั้งคู่เลยนะเป็นนบีด้วยแล้วก็ปเป็นกษัตริย์ด้วยกษัตริย์เนี่ยสั่งอะไรได้หมดเลยใช่ไหมล่ะเอานงนมาเอาไอ้นี่มาลูกน้องก็จัดให้หมดเล ย, เลยอิสอูริฎออิสอริฎออิสแว่าเมื่อถูกนำเสนออะไรแก่นบีสุไลมานำอะไรมาเสนอนำอะไรมาให้ บิลอาชีช่วงไหนอาชีแปลว่าช่วงเย็นอาชีอาชีแปลว่าเย็นขเขาเรยนอธิบายอย่างนี้หลังจากนมาศอัสรีเสร็จหรือหลังจากตะวันคลอยเ็าเรียกว่าอาชีตอนเย็นเนี่ยได้นำเสนอต่อหน้านาบีสุไลมานในเวลาเย็นเย็นใช่ไหมนำไรเสนอครับ อัลซอฟินาเป็นพรูพจนธของคำว่าซอฟฟนาแปลว่ายืนสามขาสับเดิมนะ่ยยืนสามขาหมายถึงมา้านำมา้ามาเสนอให้นบีสุลัยมานเห็นเป็นม้าที่อัลลอฮ์เล่าในกะบกุบกรอานเลยนะม้าที่ดีม้าพันดีม้าสวย แล้วก็ออกทาศึกสงครามได้ต้องยืนสามขาธรรมดาต้องยืนสีขาใช่ไหมน่ะอีกขาจึางยกแตะพื้นเล็กๆน้อยๆ น, น่ะนั่นแหละเขเรียกว่าม้ายืนสามขาเป็นมา้นาพันดีอพันธีอธิบายยังไงครับอัลยัดยดแปว่าวิ่งฝีเท้าไวหรือวิ่งไว ถ้ามันมีญาติมีสัตว์ูสองคำนะถ้าญาติแปลว่ายุสระฟีญาตยิยีฟีท้าไวาหรือถ้าเป็นคนคนที่มีหัวใจงามชอบบริจาคจะวาเหมือนกันญาติจะวาดคนที่ชอบบริจาคอาลัลลอฮฺชมว่าเป็นคนที่มีหัวใจงามถ้าเป็นม้าพูดถึงมา้าเวลายืนยืนกี่ขานะ สามขาอีกขาหนึงแตะดินเล็กๆไม่น้อยนั่นแหละเป็นมา้าพันธ์ดีวิ่งเร็วออกสงครามทําลายข้าศึกได้เห็นยังครับในคุรานอธิบายเรื่องม้าพันธ์ดีคนยืข้ขาเจ๋วไหวไมล้ะนั่นคือม้านะเห็นยังครับเนี่ยเอาล้อเล่าในคัรา์รนนานบอกว่มาม้าม้าพันธดีต้องยืนกี่ขาสามขานี่เป็นความรู้แล้วทำยูลิล ควายไม่ไม่ใช่ควายไม่ใช่ไม่ใช่แพะแต่เป็นมามาพันดีเวลายืนยืนอีขาสามขาอีขาเนี่แตะพืน้นเล็กๆน้อยๆออลลอฮฺเ น, นี่ยเวลาวิ่งนะโอ้โหวิ่งไวมากเอามาพันดีมาเสนอให้นบีสุไลมานในช่วงเย็นๆนบีคงสั่งอะไรนะหรือไม่สั่งออลลอฮฺอา จ, จสั่งนะเอามานี่ มาเนี่ยมาจากไหนอ่ะพ่อเป็นมรดกพ่อนะ่ะอย่างพวกเราวันนี้มีที่ยสิบไร่เนี่ยผู้นแน่ยานาะยาพยองนะทรัพย์ ส, สินนะพอ่อให้มามาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแผ่นดินเนี่ย อ, ลอัลลอฮ์บอกว่าท่านยายาพยองอันนี้ก็เตือนเหมือนกันเตือนน บ, บีดาวูดน บ, บีสุลัยมานี่ทรัพย์สินเนี่ยของพอ่อเป็นมรดกตกมาถึงลูกนะอย่าพยองนะ อุดมแปะครับอีก อ, อูริกาไลบิลาชิโอฟินาตุลจีเดและเมื่อมาพันดีฝีเทา้าไหวนำมาถวายพกูกกษัตริย์นับว่าถวายนะพกูพกกษัตรายก็เอามาให้นะนำมาถวายแกเขายามเย็น ยามเย็นหมายถึงว่าตั้งแต่อาทตย์จนกระทั่งตะวันตกเข้าว่ายามยามเย็นแต่ล้วมาะนบิศมาเนี่ยนั่งอยู่บนแท่งใช่ไหมล่ะก็เอามามาไม่ใช่ตัวเดียวนะมาเป็นฝูงแล้วเป็นพันๆตัวเลยนะครับเอาต่อมาครับอิฟกอละอินนีอหบบะตุฮุบบัลขัยริอัน ذكر ิรบบีฮัตตาวรัตบิลฮิบ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب الحمد لله ม้าเนี่เป็นวัตถุนะเข้าใจใช่ไหมม้าเนี่เป็นวัตถุแบบเรามีรถมีบ้านมีที่ดินน่แหละ ทนี้อายาเนี่ยบางคนแปลได้สองอย่างนะอายาเนี่ยกว่ากอละนบีสุลัยมานพูดคุณบอกว่าอินนีแท้จริงฉันอับบาตุฉันรักฉันชอบฉันรักฉันชอบฮุบบลคอยฮุ บ, บลคอยในความรักของสมบัติคอยรุ่นไม่ว่าสมบัติ อ่าคอยรุ่นเดิมแปลว่าความดีอย่างคลองเทศเนี่ยคลองเทศสับคำนี้คอยรุ่นนี่นะคองค่อยคลองดีไอ้คำว่าคอยรุนออยร่นเนี่ยมิส่าว่าทรัพย์สมบัติก็ได้เงินก็ได้ทรัพย์สินก็ได้เป็นคอยรุ่นทั้งหมดนบีสุลมานพูดว่าอินนีอาห์บับกับฮับเลคอยรุย่แท้จริงฉันนี่นะชอบทรัพย์สมบัติที่เป็นม้าเนี่ยฉันชอบ นะครับก็ทุกคนทุกคนเวลามีทรัพย์เสร็แล้วชอบหมดใช่ไหมชอบแบบไหนแล้วบางคนชอบแล้วลืมอัลลอฮ์มีไหมมีบางคนชอบแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์มีไหมมีอายาเนี่แปลได้สองอย่างชอบแล้วลืมอัลลอฮ์ก็มีบางคนแปลว่าชอบทรัพย์สมบัติแล้วทรัพย์สมบัติทําให้เขานึกถึงอัลลอฮ์นี่แปลได้สองอย่าง คนเรียนก่วาวระดับนี่แปลว่าฉันนี่รักทรัพสมบัติจกนกระทั่งลืมอลัลลอฮ์รักทรัพสมบัติรักม้าจกนกระทั่งลืมอัลลอฮ์ตั้งแต่เขาเสนอเขาเอาม้ามาเนี่ยตอนตอนเวลาอาศัแล้วก็ดูม้ามองม้าเพลินจนกระทั่งตะวันตกไม่ได้นามาตอสเรเนอุลมามะ อีกกลุ่มหนึ่งอธิบายอย่างนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งอธิบายตรงกันแคมพอเห็นมาเนี่ยฉันรักมาแต่มาตัวนี้มากลุ่มนี้ทําเตือนฉันให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุฮาห์นะฮูตานาละเป็นสองอย่างถูกทั้งคู่นั่นะ <c oughs> เห็นมาแล้วลืมนมัสารเดินมองเมอมอ ง, ม, อ ง, ม, องมาเพลินวิ่งสวยใช่มหม ยืนสามขาด้วยเราก็มาพันดีด้วยลืมนมานอัสรอีกมุลมะอีกกลุม่มหนึ่งบอกว่าพอเห็นมาพันดีมากทําให้ฉันนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาตกลงว่าถูกทดสอบจากองลลอเห็นไหมนี่เตือนเรานะเลาเล่าไงนะบีฟังมีทรัพย์สินมีสองอย่างนะบางคนมีทรัพย์สินแล้วเข้าหาอัลลอฮฺมากกว่าเก่า บางคนมีทรัพย์สินแล้วลืมอัลลอ์ไม่เอาศาสนานกอมีใช่ไหมเนี่ยานยนี้เตือนฉะนั้นจะแปลว่ามีทรัพย์สินแล้วเข้าหาศาสานานก็ได้มีทรัพย์สินแล้วลืมอิสลามมีไหมมีก็ได้อะไรอะไระไปทะเลาะกันแปลได้สอย่างอาต่อมานะครับอินนีอาบบะเบตูฮุบบลขายลิอันซิกริรับบี นบีนบีสุลัยมานดอกว่าฉันเนี่ยรักม้าจนกระทั่งลืมนมาดอันซิกริริลบีลืมนมาดลืมนึกถึงพระผู้อาภิบาลของฉันแค่ี้เขาอธิบายบอกนไงเป็นนบีลืมได้อย่างไรเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างใชายนี้ไม่ใช่ฉะนั้นจะมอบให้นบีสุลัยมานว่าเห็นม้าแล้วลืมนมาดเนี่ย มันไม่ไม่น่าจะให้เกียรติน บ, บีสุลัยมาเป็นกัร น, นี่ส่วนรอยา่าไปทาแปล ก, กับพวกอิสรอีนพวกยิวแปลแบบนี้แต่อีกคนหนึงแปลบอกว่าท่านอิมรามรอจีอัลฮิมุกุลลอห์น บ, บีสุลมานเห็นมาแล้วทําให้เขาได้นึกถึงอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอนี่ขนาดอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้นะยืนสามขาเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าจะให้ ใครคนหนึ่งในเข้าสวรรค์ได้ไหมง่ายนิดเดียวอ่ะให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เราก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์ของเราแล้วตัวลงกับทูตทั้งสองนะเดี๋ยวไปะทะเลาะกันนะอธิเฐ็นตน้นฮัตตาตะวารอสบิลฮิยาฮัตตาจนกระทั่งตะวันตกดินอ่าฮิยาแปลว่าม่านแต่อธิบายความหมายก็คือยืนดูมา นึกถึงความดีของมา้าเพอจงกระถงตะวันตกดินไม่ได้นามาตอาสัตบางคนแปลว่านึกถึงมา้าทําไม่นึกถึงอัลลอ์ยืนชมมา้าจงกระถงตะวันตกดินไปใตด้ทั้งสองโอเคต่อมาครับรุ ด, ดูฮะยล ฟ้าควักควักมัสฮัมบิสุคُุวัลอาณาควรดดูฮَอัลเลียฟ้าควักควักมัُฮัมบَ ا ุคุ์วัลอาณาคว a l h a m d u l i l l a َรดดูฮะนบีสุลเลมานซัม อ, อีกอีกหลายวันต่อมานะไม่ใช่วันนั้นเราอีกหลายวันต่อมานบีสั่นะสั่งว่าไงนะรุดดูฮะอาไลยะจงนํากลับมาคือนําม้าเนี่ยกลับมาอมาไลยะมหาฉันนบีเลยมาสั่งลูกน้องบอกว่าม้าพันุดีมีเป็นพันๆตัวที่พ่อให้มาเป็นมรดกเนี่ยนะฉันเนี่ยรักม้ามาก ก็สร้างให้นํามาม า, มานํามาเนี่ยมาให้ฉันดูมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอนํามาแล้วฟาตฟิกกมัสฮัมบิสุก์าฟาฟิก็แปลว่าเริ่มเขาเริ่มมัสฮันแปลว่าลูกลูกตัวนีว่ามีสัตว์นี่นะมีม้าเนี่ยลูกสัตว์ทําให้สัตว์เชื่อง อยู่คำว่าจากุรอานนะเขาก็อยู่กับสัตว์นะมันมีปัญญาแต่สมองไม่มีมีสมองแต่ปัญญาไม่มีใช่ไหมล่ะฉะนั้นอยู่กับสัตว์เนี่ยจะให้สัตว์เนี่ยมันมันเชื่อเราเชื่อทําไรเอามือไปลูบนี่สอนอยังสอนแน่สอนนบีมุมฮัมมัดสอนนบีสุลัยมานคุณมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องไปยืนใกล้ๆ กายสาัสตว์เรียแล้วเอามือไปไ ป, ไปลูกเห็ไหมอัลลอฮ์นัางกายภรรยาลูกคำภรรยาภรรยายังดีใจไมหมจ๊ะนี่สอนวิธีการดูแลสัตว์เห็นั ง, งนี่กุอ่านนี่ยังครับสมบูรณ์แบบหมดเลยเอามือไปลูกมาสซาแปลว่าเช็ดไปลูกนะลูกที่ไหนอัสูซก ลูกที่มันจะทราบกันว่าขาลูกขามันและลูกที่หนาอีกวัลอาณาลแล้วก็ที่คอของมันนี่วิธีการเลี้ยงสัตว์อาจารย์ครับอธิบายในะคัมภีร์คุณอานเมื่อจะเอาล่อหนาจา AH นะจาของสัตว์จะของมนุษย์นะมนุษย์ทําอะไรไม่เป็นหรอกทาไมบอกมานี่จ้ะยิ่มันพันสี่รอปีนะคุณอ่านอายุญญนี้นะสั่งให้อะบีซเลยมานเนี่ยลูกลูกที่ขามันแล้วก็ลูกที่คอ แพะแกอัวควายก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะเราก็ลูปขามันแต่มม่เนี่ยลูปแล้วก็ามันก็จะเชื่อวมันก็จะอะไรนะไว้ใจเราอะไรเราอย่างนี้ตืถ้าไปด่ามันตวาดมันแม้แต่แมวอะด่ามันมันก็เพ่นใช่ไหมล่ะถ้าเอาข้าอาหารให้มันจับมันอะไรมันกัดเชื่องหมนเลยละครเวลาเนี่ในการดูแลสัตว์อาจารย์เตือนนะในการดูแลสัตว์ดูแลยังไงให้มันเชื่อง อัลลอฮฺว่ากันละ hamdulillah แปลใหม่ครับรุดดูฮาอะไรจงนำมันมาจงนำกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเอามาแล้วใช่ไหมจงกระทั่งมาได้นามาจงกระทั่งลืมอล้ออะไรก็ทำแทน <c oughs> ครั้งนี้นำเมา ม, มาใหม่ฟ้าป๋อฝีกอมาสหมบิสูแล้วเขาก็เริ่มลูบขาแล้วก็วัลอาน้งแล้วก็คอของมัน อลมามะอีกท่านหนึ่งแปลว่าคำบรรูปขาเนี่ยสั่งให้เชื่อดสั่งให้ตัดขาแล้วก็ลูกคอสั่งให้เชือดเพราะเป็นเหตุทำให้ไม่ได้นามาตอาสัตย์ครั้งที่แล้วนี่เป็นการอะไรนะลงโทษตัวเองแต่อุลมามะอีกท่านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หักขาหรอกใช่ไหม เอามาอรก็เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เป็นการดูแลสัตว์ให้ดีกว่าการพูดสัตว์ตัวนี้ทําให้ฉันนึกถึงอัลลอฮ์ฉันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเอามือมาลูบที่ขาและก็ที่คอแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าสั่งฆ่าหมดเลยเพราะทําให้ฉันลืมนมาดอัสตรี่อย่างนี้เป็นต้นอา ล, ละจะแปลทั้งหนาจะแปรทั้งสองอย่างนี่มันถูกทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปตําหนิใครบ่แล้วกันอเอาแคนะอัลฮัมดุลิลลาห์ ซับซีดบังเล่มอธิบายางนะั้นตัดขาทั้งหมดแล้วก็เป็นอาหารแจกคนยากจนพอทำให้เขาลืมนึกถึงอัลลอฮ์สวานะาทะอรอะะจะแปลว่าเชื่อ์ก็ได้จะแปลว่าตัดขาก็เอาอธิบายไปแต่ถ้าจะไม่แปลว่าตัดขารูปอย่างเดียวกับพอเพราะว่าทำให้นบีสุลามา น, นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ก็อธิบายได้ถ้าทั้งสองอัล h a m d นี่เป็นความดีทำให้เราได้รู้เยอะว่าเรามีสัตว์ต้องยืนยังไงต้องยืนใกล้ๆสัตว์นี่อุลมะอธิบายแม่ตะต้นมาที่เราปลูกเอาน้ำไปให้เลยยืนบ้างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปวิจัยออกมาว่าพันไม้มันจะเจริญเนี่ยเจ้าของนี่ก็ต้องไปยืนเพรา ะ, ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนบี ชายขอนอินตาบัลัมใช่ไหมทําเป็นมิมบัต น, นบียืนบนขอนอน่านคุตบั้งในวันศุกร์ที่มัสยิดนาบ awi ตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยแล้วต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำมิมบัตสามขั้นมาให้นบีนบีก็เปลี่ยนจากขอนไม้มายืบนบนมิมบัตอ่านอันคุตบั้งอยู่วันศุกร์วันนั้นขอนไม้อันนี้รอง พอขอนไม้รอมอ่ะคนที่มานะมัสมารได้ยินหมดเลยอ่ะน บ, บีก็เดินลงมาจากมินบ้นแล้วก็มากอดบอกว่าอย่ารอมจากตรงนี้เนี่ยอลมะอธิบายไปว่าคนที่ปลูกต้นมนตต้นไม้อะไรก็ตามแต่กดไปยืนหยุดใกล้ๆต้นไม้ ใหขอทูตาวุธมาได้เอาเราจากให้ต้นไม้มันจเจริญให้แม่ใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยใส่น้ํานี่สอนหมดเลยนะอยู่บนโลกดุริยางค์อยู่ยังไงให้สง่างามจากนั้นกับพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่นี่นะครับไปนั่งใกล้ๆพ่อแม่ไปกอดพ่อกอดแม่ลูกนี่นะต้องปฏิบัติแบบนี้นะก่อนตายให้นั่งกายเชิดกันถ้าหลังตาย ให้ขออุทิให้กันวิญญาณกล้ชิดกันก่อนตายด้ววัฏจัตย์บอดี้อยู่ใกล้กันพ่อแม่จะอบอุ่นมากถ้าอยู่นั่งใกล้ๆลูกหรือลูกจะอบอุ่นมากถ้านั่งใกลพ้พ่อแต่พ่อตายไปแล้วความอบอุ่นจะมาอีกเที่ยงด้วยการขออุทิต่อเราเราบิฟิลลีวารีวารีไดยวัฏขมบูมากามารอ บ, บายานีสวสรรค์เราไรนะทําให้วิญญาณของเรากับพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดกัน ทำได้แลดีมากจับอุลามาต์อธิบายต่อครัจากคุณอาธิเรียนมาเมื่อเดืสองสามปียานี่นะที่ว่านบีบุลัยม์นาเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอาลัลลอฮ์เนี่ยอุลามาต์อยู่ท่านหนึ่งอธิบายบอกว่ามุสลิมเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มมุสลิมที่แท้จริงกับมุสลิมสุดขอบสุดขอบอธิบายยังไงเป็นมุสลิมเนะนะ มุสลิมที่แท้จริงเนี่ยเขาจะตรวจสอบอิมานของตัวเองแบบนบีอะ้รนะอะบูสุลัยมานเขาจะตรวจสอบอิมานของตัวเองแต่มุสลิมบางกลุ่มที่ตกขอบจ ะ, จะอะไรนะจะตรวจสอบอิมานของคนอื่น อ, อันไหนดีกว่ากันตรวจสอบอิมานของตัวเองดีหรือว่าตรวจสอบอิมานคนอื่นดี ก็สซออีมาตัวเองสิแบบนบีนบีนบีสุลัย ม, มานใช่ไหมนะนบีดาวูสลุล ม, มานใช่ไหมเขาดูตัวแลตัวเองอะ่ะใช่ไหมนะ่ะเขาไม่ได้ห่วงคําไม่จะตรวสอบคนอื่นเรื่องที่สองมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยเขานําตัวเองและผู้อื่นเนี่ยเข้าสู่สวรรค์พาตัวเองไปสวรรค์และพาคนอื่นไปสวรรค์ด้วยไม่จะไปคนเดียวเป็นห่วงคนอื่นด้วยแบบนบีมุฮัมมัดเลย ส่วนมุสลิมตกขอบเนี่ยเขาจะพิาพากษาคนอื่นให้ลงนรกใช่ไหมเอ็งทําะไรเหมือนฉันเนี่ยเองเ็งชาวนารกอ่ะอย่างนี้อย่างนี้มีไหมยเยอะหลกละอย่าทําเรามีหน้าที่ตรวจสอบอีิมานตัวเราเองแล้วก็พาคนอื่นเข้าไปด้วยอย่าไปพิาพากษาเอง็งชาวนารกชาวนารกชาวนารกไม่ใช่นะครับเอาเรื่องที่สานะครับมุสลิมที่แท้จริงเนี่ย เขาหาเหตุผลเพื่อให้อภัยในความผิดของคนอื่นหาเหตุผลเพื่อจะให้อภัยความผิดของคนอื่นเรานั่งกันอยู่เนี่ยให้อภัยกับคนทุกคนอย่าไปจับผิดรอแล้วก็มีภากสาความผิดคนนั้นผิดคนนี้ผิดเองเป็นชาวนาโลกชันเข้าสวรรค์อยู่คนเดียวอย่าไปทา อยงนี้เป็นต้นนี่จากกุณอ่านสองสามมายที่ผ่านมานี่นะครับเตือนเตือนสติว่ามุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องตรวจสอบอีหมานตัวเองนะครับอย่าไปตรวจสอบอีหมานของคนอื่นมุสลิมที่แท้จริงนําตัวเองและคนอื่นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไปพร้อมๆกันส่วนมุสลิมสุดขอบท่านพิจารณาคนอื่นให้ลงนรก อีกกลุมหนึง่งมุสลิมที่แท้จริงหาเหตุผลที่จะให้อาภัยในความผิดของผู้อื่นด้วยเขาทํไปเราพยายามอา ภ, ายอาภายัยอภัยยกตัวแบบนบีมุฮัมมัดถูกขว้างด้วยหินใช่ไหมไปเมืองอะไรตออีฟนบีให้อาภาัยไหมให้อาภายัยนี่ไงเขาผิดเต็มเต็มตัวเลยแต่นบีก็ไให้อาภัยกล่าวว่าไงอวบมาเฟลจะกอ่าวมิฟะอินนะฮุมลาย่างละมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมากับระยะที่สี่สสี่ ว่าล่ะก็เดฟัตันน้าส ن ไลมันว่าล่ะก็อินะอาล่า د ุศรีจ้าซา ن ะซุ่มมาอันะเบว่าล่ะก็เดฟัตันน้าสุไลมันว่าล่ะ สุ ม, มาณาบธรรมดุริน บ, บีสลุลมานี่ถูกทดสอบจากอัลลอ์นะครั้งที่แล้วเรื่องเรื่องใดเรื่องใดท่มายืนสามขาเพลหรือว่าถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นครับนี่เรื่องที่สองการทดสอบของอัลลอฮ์กับน บ, บีสลุลมานเราต้องนึกเราถูกทดสอบจากอัลลอฮ์นะ มีลูกถ้าลูกดีก็ทัมดยละถ้าลูกไม่ดีก็เครียดหน่อยถูกทดสอบหมดนะท่านโลกดุนยาไปนี้อร่อยยังไม่ได้ให้รางวัลเป็นการทดสอบทุกคนไม่เหมือนกันนะครับวันลรก็ดฟาันนาแปลว่าก็ลาก็แว่าโดยแน่นอนยิ่งฝันนามาจากฟิทนะนอ่านี่เป็นเป็น เป็นี่หนะครับเราได้ทดสอบเราได้ทดลองใช่ไหมเราได้ทดสอบพิสูจน์ว่าจะมี إ ي م านหรือไม่มี إ ي م านใช่ไหมมีตั ก, กวามีตั ก, กวาทดสอบถึงจะรู้ก็ข้อสอบ ส, ง, สงข้อสอบมาเนี่ยแล้วเอาผ่านทำไมผ่านทําไมเราสอบนักเรียนปีละสองสามครั้งกนะ็ทดสอบมาสอนแล้วต้องต้องทดสอบนะครับ ว่าากอดะาดา น, นและเราได้ทดลองได้ลองใจใครครับสุไลมานคือนบีสุไลมานเมื่อให้แล้วใช่ไหมก็ทดสอบเลยว่าอัลกอยนาและเราได้วางอัลกอแปลว่าโยนหรือวางวางนะอลากุรซี บนเก้าอี้มาถึงบัลลังก์อ่าบนบัลลังก์เราได้วางบนบัลลังก์วางอะไรครับยาสาดันแปลว่าร่างหนึ่งร่างหนึ่งบอดีก้ก็ว่าร่างกายเนี่ยเราได้เอาร่างร่างหนึ่งมาวางไว้บนบัลลังก์ของนบีสุไลมานอธิบายได้สองอย่าง บางคนพูดว่าอย่างนี้อุลมามะอธิบายบอกว่าในตัฟเซตบางเล่มมาเตบาตะวันนบีสุลัยมานี่มีมีภรรยาแล้วก็มีอะไรนะหญิงหญิงภรรยาอย่างประมาณเจดสิบคนบางคนมาถึงร้อยคนก็มีแล้วก็น บ, บีสุลัยมานี่พูดบอกว่าคืนนี้ฉันจะร่วมหลับนอนกับภรรยาฉันทั้งหมดแล้วก็ได้ลูก นะครับแต่ละคนแต่ละคนได้ลูกมามาเป็นทหารเข้มแข็งใช่ไหมก็มีมาาอยู่แล้วใน ย, ยาขาดคนใช่ไหมละ่ะก็ได้ลูกมาแต่ปรากฏว่าได้ลูกคนเดียวพญาทั้งหมดปนระมาณเจ็ดสิบคนหรือร้อยคนเนี่ยได้ลูกมาคนเดียวและลูกที่ได้มาเนี่ยน่ะเอามาวางไว้ที่ บาลังนบีสุลัยมานเป็นลูกที่เป็นอมภุดด้วยได้มาคนเดียวไม่สมประกอบอีกนี่อธิบายอย่างนี้เข้าใจนะอุลมะอีกกลุ่มหนึ่งอธิบายก็ไม่ใช่ท่านนาบีสุลัยมา น, นี่ต่อมานี่นะป่วยเองอะไรนะเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินมาขึ้นบัลังได้ต้องให้คนอื่นหิ้วมาสอความหมายจะแปลว่าสัญญาว่าพูดว่าฉันจะนอนร่วมกับพระยาฉันทุกคนเลยเจ็ดสิบคนแล้วก็ได้ลูกมาแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้กล่าว่าอินชาอัลลอฮ ไม่จะกล่าวอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้ลูกสักคนหนึ่งได้มาคนเดียวกับพิการอีกต้องการจะเตือนนบีอัลลอฮ์เล่าฮาดิษมัดฟังจะทําอะไรก็ตามต้องมีคําว่าอินชาอัลลอฮ์แบบนบีสุลัยมานไม่จะกล่าวอินชาอัลลอฮ์ปับ๊บลูกก็ไม่ได้ได้มาคนหนึ่งอย่างพิการอีกก็เลยนําเอาลูกที่พิการเอามาให้นบีสุลัยมานดู ท่านอนธิบายอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่นบีสุรยมานนอนร่วมกับพรรยาคืนเดียวเจ็ดเจ็ดสิบคนเป็นมาได้อย่างไรขัดใจใช่ไหมเรื่องเซ็กเนี่ยคนสองคนก็แย่แล้วใช่ม ท, ทั้งคืนเอาหมุดเลยเจ็ดสบคนสู้วเหรเอาแล้ ว, ว, ลวก็ใช้ปัญญาบ้างเล็ก น, น้อยก่นแล้วกันนะอย่าไปตำนี้นะห้ามตำนี้ อีกกลมหนึ่งแปลแบบว่านักบวมันไม่สบายเองวางชาอะไรเนะี่ยอ่อนแอใช่ไหมจะมานั่งบัลลังก์เนี่ยมาไม่ไหวก็ต้องพยุงกันมาเดินกันมาเอามาวางไว้บนบัลลังก์ของท่านเองกระจายได้นะะอธิบายหนึ่งหรือสองถูกทั้งหมดตละพอเอามานั่งบนบัลลังก์เสร็จแล้วก็มันึกอร่อให้ร่างกายแข็งแรง ซุมมาอานาแล้วต่อมานภิสมรมณาได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอาลัลลอฮอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่นึกอะไรเยอะ้าจะแปลว่าไปร่วมกับภรรยามาได้ก่าวอินชาอัลลอฮได้ลูกมาคนเดียวทวารจัได้ตั้งเจ็ดเจ็ดสิบคนไม่ได้ต้องทุกทวนตัวเองแล้วตัวเองทำทำทำทำทาอะไรผิดหรือเปล่าสองตัวเองแข็งแรงมาต่อมามาป่วย จนกระทั่งขึ้นบาลังไม่ไหวต้องมีคนพยุงมาพามาทายยําไมจึงป่วยต้อตงนึกเราทําอะไรผิดหรือเปล่านี่ไงสอนเราสอนน บ, บีมาหมาัด น, น บ, บีมาสอนว่าคนที่แข็งแรงแล้วต่อมามาเจ็บไข้ไดป้ป่วยเอ็นทาอะไรผิดหรือเปล่ากระจายนะอนี้เป็นตัวนี่สอนให้คิดยังใช้ปัญญายังนี่ไงจะทั่งเราวันนี้ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันหนึ่งเรต้องอ่อนออนแอะ ออนแอเนี่ยมีสองอย่างพอเราแก่ชราสองยังไม่ได้แก่แต่มันป่วยอะ่ะป่วยเพราะอะไรอะ่ะพก่นนึกถึงบางไฮรีเนี่ยที่อาซาตอส โ, โบโเนี่ยเมื่อก่อนแก้ก็อร่อยเหมือนกันชีวิตเก่งนะตอนนี้ก็เตาบาตวัวอฮามดุลิลลแล้วก็กลัวเอืออยากกลับไปเหมือนเดิเด็ก น, นะเมื่อแก้ไขปรับปรุงต้องแก้ไขจริงๆฉันจะอยู่สภาพนี้จนกว่าจะตายอย่างนี้เป็นต้นนะ ว่าล้ก็ดิฟัตันาะสุไลมานว่าอัลกยน่า ada คูรุสีจะ ส, สุดาซุมนะาบและโดยแน่นอนยิ่งเราได้ลองใจสุไลมานและเราได้วางร่างหนึ่งบนเก้าอี้บนบลังของเขาแล้วเขาสุไลมานได้หันสู่อัลลอะ์กลับนวกอกลับตัวไปหาอัลลอฮ์สุบฮานาวูนาะาธา ตัวงว่าเราทดสอบทุกคนนะอันนี้เป็นตัออวอาราสุดท้ายนะครับกอนรบิฟิรลีวะฮบลีมุลกาลายัมบะรีลิอัฮัดีมิมบะดีอินนักอันตะลุอาบ “قال ربي افري وهب لي, لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب” หามโดนเลยเลยอนี้สอนนบีมูฮัมมัดแล้วก็สอนพวกเราว่าวิธีกับตัวนะให้กล่าวคำไหนดีที่สุด กาวคำไหนรอบบิลฟิลีเห็ไหมนี่ออกจากมาจากอุณาเลยใช่ไหมหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วนะวิธีกลับตัวไม่มีภาษาอื่นภาษาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์พอใจที่ออกมาจากริมฝีปากนอง บ, บิสอเลมานรอบบิลฟิลีศัพท์นี้ศัพท์เดียวที่มุสลิมทั้งโลกเขาใช้กันหมดเลยใช้ได้ไหมใช่ เราเองประชาชรอบบิวฟิลลีหรือแม่แปลว่าอะไรข้าแต่พวกอาบิบาลของฉันได้สวโปดอภาภัยแก่ฉันดีเลยไม่ดีนี่เดือนรมาจนมาถ้ายญิงอิชาถามท่านนาบีใช่ั้ยเมื่อฉันรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนไรนกขตุลกอจีฉันจะขอดูอาบทไหนนะถ า, ถามสามีนะถ้ามไม่ถามเราไม่รู้นะท่านนาบีก็ตอบเพราะว่าอย่างนี้ a l อ a h u m m a innaka afoon tuhib alafwa faafu anni นี่ออกมาจากรูปีปาท่านบนร์หนึ่งสปีนะ่ะยังคงช้ยอยู่จนกว่าจะถึงวันติยมะมาเราบูฟิลี Allahumma innaka afoon tuhib alafwa faafu anni เห็นไหมฉะนั้น วิธีกลับเนื้อกลับตัวนะทำอะไรผิดแล้วสำนึกผิดมันกผู้ชายภาษานี้รอบดิงฟิลีโรบดิฟิลีว่าเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมได้แต่ผู้ชายภาษานี้นะอัสตากุลลอฮฺอัสตากุลลอฮอัสตกุลอลอฮพราะว่าเป็นเยอะว่าเป็นว่าพันๆเลยนะอัสตากุลอลอฮแบบนี้อิหม่ามอิคมุตัยมียะก็เหมือนกันอ่านคํานบีก่อัอสตากุลลอฮเนี่ชยช้เยอะ นั่งประชุมเนี่ยอัสตัฟรุลลอฮ์ประมาณเจสิครั้งนบีพูดเอันี่ต้นเรดูมาดูขอด ว, วงไงไ้หมว่าฮับเบลีได้ทรงโปรดประทานแก่ฉันพับเบลีไม่ว่าโปรดประทานแก่ฉันมุลกัรอาณาจักรเห็นไหมอาณาจักรปกครองอ่ะประชากรไทยไม่ไรเจ็ดสิบล้านใช่ไหมล่ะของอียิปต์เท่าไหร่ ตลอดแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสุลัยมานเป็นกษัตริย์วยนะนี่ขออวอาณนะให้มีอาณาจากักรให้มีประเทศของตนเองแล้วขอว่าไงรู้ไหมลายมบารีลีอาหดินไม่เหมาะสมที่จะให้แกผู้ใดอำนาจที่ท่านปกครองประเทศนะ่ยประเทศที่ร่ำรวยที่สุดก ม, มีสุลัยมานรวยที่สุดนะ รออัคบัรแล้วก็ขอรัวนะอย่าให้ประเทศไหนในโลกหลังจากฉันยิ่งใหญ่เหมือนอำนาจที่ฉันอยู่อลัลลอ์รับเลยครับฉะนั้นไม่มีในโลกนี้นะครับไม่มีรัฐไหนในโลกที่จะเท่ากับยุคของนบีสลุลยมาอเมริกาว่าดังๆนะมีตระกูล อ, อารามเต็มไม่มีบามีเบียใช่ไหมล่ะตอนนี้เบาไปเยอะแล้วพอโควิดมาเนี่ยตอนนี้เป็นต้นะ ฉะนั้นนบีสุลัยมานเป็นนบีที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่ลืมอัลลอฮ์แล้วก็ขออาอัลลอฮ์อย่าให้การปกครองของประเทศใดในโลกหลังจากฉันตายไปแล้วนี่นะให้มีอำมือเหมือนฉันนี่นะขอมาอัลลอฮ์รับเลยครับอัลฮัมดุลิลละยิ่งใหญ่มากครับอินนากะอันตะลวะฮ์อินนากะแท้จริงอัลลอ์เนี่ยผู้สองั้างนะอินนากะอันต แท้จริงท่านท่านใช่ไหมเน้นย้งเน้นแท้จริงอัลลอ์อัลลอ์แท้จริงท่าน พ, พ, พ, พระองค์อันว่าหาเป็นผู้ประทานให้ยามใหญ่หลวนี่า อ, าอาสิฟัตอัลลอฮ์ทูลงอ่ะอายาสามเสียอายาวันนี้เตือนเรานะทาผิดอย่าเหลืมงต้องต่องบาตัวได้ริีกีมาอย่าลืมอัลลอฮ์ ต้องเข้าหาอัลลอฮ์วิธีกลับตัวดูตัวอย่างนาบีสุลัยมานว่าไงรับบิลฟิ ล, ลีอัางคิดถึงพ่อแม่วาลีวาลิได้อะวารฮัมฮู ม, มากามารอ บ, บัยานีสกีรอก่อนจะจบผู้อ่านกุณอ่านพบอย่างนี้ น, ะนาะนบียูซุปเนี่ยญาติพี่น้องเขานอะารวมตัวกันใช่ไหม ก็บอกอุกตูลูยูสุขฆ่ายูซุฟะ น, ะ น, น, น, น, นะเนียอล่าเริิกุทธาเลนพี่น้องรวมตัวกันฆ่าสั่งให้ฆ่ายูซุฟถ้าฆ่าไม่ได้ก็โยนใส่บ่อไปเลยนึกว่าตายแล้วแต่ที่ไหนได้อลลอไม่ให้ตายแล้วก็พอเอามาจากบอ่อใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็พาไปขายที่ประเทศอียิปต์ คนที่ซื้ อ, อยูซุปไปเนี่ยไปบอกกับภรรยาว่าอัคริมีจงให้เกียรตินบียูซุปคนใกล้ชิดบอกว่าฆ่ามาเลยแต่คนไกลว่าไงอัคริมีจงให้เกียรตินบียูซุปได้ไหมได้ข้คิดอะไรเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยเขาด่ากันเอง กระจานะเราอย่าเป็นคนแบบญาติพี่นองนบียูซุปฆ่ามาเลยน้องคนนี้เอาไว้เนี่ยมันความหูความตาใช่ไหมส่วนนบียูซุปพอถูกซื้อไปเอาไปขายนะนี่คนซื้อไปเป็นรูปบุญธรรมสามีซื้อไปบอกภรรยาว่าอัคริมีจงให้เกียรตินบียูซุปแล้วก็ให้เกียรติก็ทั้งได้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมแจกอาหารพ่อแม่ไปโอ้โหคนนะเพิ่งรูง้ไง อัลลอฮฺย ah ah uh ูซุฟไม่ใชธรรมดาเว้ยฮะงั้นอย่าดูถูกคนอ่าอย่าดูถูกคนอย่าทาลายคนช่วยกันขอุอายต่ออัลลให้ครอบครัวเรามีบาระกัด سبحان ุลลอฮุมมานุบิฮามิลกซุลลอฮิลลอฮิอิลลออัลลออัสฟุลกวตร